171รอรหันเกก็คือผู้จัดการนิยายของตนไม่ได้ผู้จะสามารถจัดการกับนิยายของตนได้อย่างบริบูรณ์จริงและย่างยืนทุวางเที่ยงแท้นิจจังตลอดไปสัตสตังก็ต้องมีสัมมาทิถีในทิถีหกิ62นี้ก่อนอื่นต้องไม่หลงตกอยู่ในอดีตและอนาคต หรือแม้แต่ปัจจุบันที่ยังมิฉาทิฐิแค่นี้ก็ทำสั ม, มาทิฐิในการปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธเป็นเบื้องต้นจริงๆกันไม่ได้จึงพาคันตกอยู่ในข่ายวงเล็บชาละถูกข่ายปกคลุมไว้ผุดก็ผุดอยู่ในข่ายติดอยู่ในข่ายออกจากข่ายไม่ได้ไปชั่วกาะนาน ก็ตรงตามพระพุทธเจาตรัสในพรหมชาลสูตรนั่นคือผุดอยู่แต่ในฝันระลึกเอาแต่จากภายในไม่เอาส่วนของภายนอกเป็นปัใจจัยในการปฏิบัติจึงได้แต่ผุดอยู่ในข่ายพะวงออกจากข่ายชาละไม่ได้ไปตลอดกาลศาสนาพุทธเราทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้น คือได้หลงผิดมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นกลายเป็นลทัทธิที่ยึดเอาการหลับตาทาสมาธิเป็นทางเอกออกจากขายนี้กันไม่ได้ผุดอยู่ในข่ายแห่งการทำสมาธิหลับตากันนี่แหละอยู่ดำผุดดำไหวอยู่ในวังวนของการหลับตาทำสมาธินี้ แม้อตมาจะพูดมาแล้วมากมายยืดยาวอ้างอิงหลักฐานจากพระไตรปิฎกจากพระอนุศาสนีอตมาพูดมา45ปีแล้วท่านทั้งหลายก็ยังยึดมั่นถือมั่นยืนยันหลับตาทำรรมสมาธิออกจากข่ายที่จมอยู่ในอดีตปุพันตะและอนาคตอปรันตะ กับการเป็นนักตรึตตกตะกีนักค้นคิดวิมังสีที่เป็นทิธี62นี้ไม่ได้ก็ถูกคลุมไว้ด้วยข่ายนี้แหละแน่นหนาแข็งแรงสัมมาสมาธิของพูทธแต่เดิมที่ปฏิบัติมารเกตองค์ให้เกิดเอกกัคคตาจิตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสักสูตรนั้น พระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281ไม่มีแล้วไม่รู้เรื่องกันแล้วแม้อัตมาจะพูดยำ้ำพูดซ้ำอย่างไรเอาหลักฐานของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมายืนยันอ้างอิง ก, กันขนาดไหนอธิบายกันอย่างไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง ก็ยังหลงยึดวิธีปฏิบัติรมสมาธิหลับตาศีลัพพตุปาทานนั่นแหละเป็นมิจฉามักอยู่อย่างเดิมยังหลงยึดความรู้ความเห็นทิ่ถูปาทานของตนที่ยังมิจฉาทิ่ถี่อยู่อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่ฉุกใจหรือเปลี่ยนใจมาเห็นได้มาเข้าใจได้ ตามทางนี้กันเลยมันยากยิ่งเสียจริง